ทราบบ้างนะว่าที่วัป่าสุตโตนี่เราก็เป็นวัดที่ไม่เพียงแต่ปฏิบัปธรรมรักษาจิตรักษาใจแต่ว่าเรายังมีหน้าที่ในการรักษาป่าด้วยแล้วก็ป่าที่นี่ก็ไม่ใช่เีเฉพาะที่วัดป่าสุตโตป่ามหาวั น, นก็มีป่าจากที่ ขอการความดูแลที่จริงเครือข่ายของวัดที่นีน่นอกจากสองวัดที่เอิญนามาแล้วก็ยังมีอีกวัดหนึ่งนะก็คือวัดปู่ขะทองวัด ป, ปู่ขะทองนี่ก็ไม่ไกลายจากที่นี่นที่ทำไปหวานก็เป็นวัดที่หลวงพ่อคำเขียนได้ไปเป็นเนจ้าวาดเมื่อ30สิปีที่แล้ว หลายคนตอนนั้นคงยังไม่เกิดตอนนั้นสมวยเพิ่งเกิดได้20ปีหลวงพาะก็ไปเปลี่ยนเจ้าวัาที่ภูเขาทอมงอานตรายไปวัดภูเขาทอมอาจจะนึกภาพื่อากว่าสมัยก่อนก็เป็นวัดที่โล่งเพราะว่าเจอว่าเกิดท่าน ฟังว like. like ่าท่านชอบเป็นว่าวตัดต้นไม้เพื่อเหียเล่นว่าวหลวงพ่อเจ้าหลวงพ่อเขียนท่านไป่านก็จัดการฟื้นฟูปลูกต้นไม้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็มีต้นไม้เยอะแะแค่เป็นป่าจีนว่าวจะเป็นป่าปลูกทั้งสามวันนี้มีป่าทั้งนั้นเราให้ความสำคัญกับป่าธรรมบัญญัติเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า กับุทธศาสนาเป็นเรื่องเดียวกันพระพุทธเจ้าอย่างที่เรารู้ก็คือว่าประสมชีของพระองค์นะั้นตั้งแต่ประสูติเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตฐะและตักรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็แสดงธรรมสงังสอนผู้คนทั้งหลายทั้งปิสุสง่งพิสุณี สงแล้วก็อุบาสกอุปาริการบริษัททั้งหลายก็มักจะสแสดงธรรมในสภาพแวดล้อมที่เต็มด้วยต้ยตนไม้วันาและก็ปาก่าแม้ว่าจนกระทั่งเมื่อพระองค์ประิษฐานก็ประิษฐานใต้ต้นไม้ในบรรยากาศที่ร่มตื่นเมื่อพระองค์ทรงประดนมชีพก็ เรวนแล้วก็สนับสนุนแนะนำให้ให้พระภิกษุสงฆ์ไปปฏิบัติธรรมในป่ามีคยไม้ใต้ในท้ำหรือว่าในที่ที่เป็นป่าเพื่อที่จะได้ก้าวหน้าในการเบรมภาวนา ถ้คุณค่าของป่าอย่างนี้เนี่ยคนสมัยใหม่ก็จะไม่ได้นึกถึงเท่าไหร่อย่างมากที่เราจะนึกถึงป่าก็คือป่านี้นะให้ให้น้ำให้อาหารให้ปัจจัยสิ่์ที่จริงเพียงแค่น้ำอากาศแล้วก็อาหารเนี่ยแค่นี้ก็เป็น คุณอุปการที่สำคัญของป่าที่เราจะมองข้ามกันไม่ได้ไม่ต้องพูดเรื่องปัจจัยสี่นะฟีนแค่พูดเรื่องน้ําพูดเรื่องอากาศแค่นี้เนี่ยมันก็ต้องต้องให้ความสําคัญกับป่านะเพราะว่าาคนเราหรือโลกเราจะมีน้ําได้หรืองก้อนในพื้นที่บ้านเราเนี่ยก็ต้องอาศัยป่า ไในวันน้ำจากแหล่งน้ำหรือว่าน้ำจากฟ้าคือฝนอันนี้ก็สัมพันธ์กับป่ามากฟ้านี่ก็เป็นต้นน้ําแล้วก็เป็นตัวควบคุมการไหลเวียนของบรรยากาศบนใกล้พื้นผิวโลกเนี่ยที่ทำให้ฝนฟ้ากระตุ้นตามฤดูกาลได้ คนเรานี่เจ็ดสิซก็เป็นน้ํานะเป็นน้ําแล้วก็ชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันก็ต้องอาศัยน้ําไม่ใช่แค่2อสามลิตรอย่างที่เราได้เรียนมาเท่านั้นจริงอยู่คนเรากินน้ําเราก็ต้องกินน้ําไม่น้อยกว่าเราลิตรแต่ที่จริงเราใช้น้ํามากกว่า น, นั้นไม่ใช่ไม่ใช่แค่ใช้น้ําสำรอการ ล้างอาบน้ำทำความสะอาดภาชนะทัาน้้าแต่ว่าเรายังใช้น้ำมากกว่า น, นั้นอย่างที่เราไม่รู้อย่างเราลดกระลิ้วตามงมื่เรากินด้วยเตียวชามนึงเนี่ยมีการคำนวณว่าเราต้องใช้น้ำถึงหนึงตันไม่น้อยกว่าหนึงตัง น, งงน่อปดพันลิตร กว่าแะได้ต้มต้เียวนงชามเนี่ยมันต้องอาศัยน้ำไม่น้อยกว่าหพันลิตมันใช้ยางไงก็ใช้ในการหูงข้าวจากข้าวก็มเป็นแป้งจากแป้งก็มาทาเป็นเส้นเตี๋ยวถั่วงอกก็ดีหรือว่าเนื้อก็ดีรชิ้นก็ดีมันก็อาศัยน้ำเหมือนกันเพราะว่า เลี้สัตว์จะปูกถั่พ้นที่อมาใัยน้าอาหารสัตว์ก็มาจากน้าไม่มีน้าก็ไม่ีอาหารัวไม่มีอาหารสัตว์ก็ไม่ ม, าาสกก ม, มนะีสิ่งที่เป็นหาใน้ัเราได้จกจะมาพูดเรื่องน้นองเดียวเนี่ยชี้านก็มีคุณป่ามากนะะยิ่งอากาศด้วยแล้วนี่อากาศนี่ก็ยิ่สงสคัญัข้าไ เราขาน้ำวันียอยู่ได้แต่ขาดตาเพียงแค่10นาทีากท็ตายนะองคนก็ขาดน้อยแั่น้ำไม่ได้ขาใจน้อยกันน่น้ำ ก, ก็ตากกั น, น, นี้คือประโยชน์ของกาที่เราขาดจะ มันก็จะจนหนักกันเท่าไรยังไม่ต้องพูดเรื่องอยารักษาโลกเครื่องมืทอที่อาศัยยังไม่ต้องพูดเรื่อง เราเลยต้องเล่นถูกป่ากันให้ป่าช่วยตมามแ้สร้างจะได้แก้ปัญหาโลร้อนหรือว่าภเ า, ามัเกิดยติช้าลงอันนีค้คือคือเป็นเรื่อของป่าที่มกักจะพูดกต่ยวเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพแต่ว่า ถ้า ม, มองไปแล้วเนี่ยก็เป็นคุณค่าในเชนิงวัตถุคุณค่าในแง่ที่เป็นทรัพยากรแต่ว่าป่าเนี่ยมีคุณค่าน่าสน้นเยอะนอกจากคุณค่าทางวัตถุคุณค่าต่อรํางกายของเราแล้วด้มีคุณค่าติตด้วยคุณค่าของปาในเรื่องนี้เ่งจิตใจก็ เข้ามาอยู่ในป่าใหายๆก็อาจจะสร้างมีความประรวนแต่ก็ได้มาอยู่ข้างกลางป่าอิดใจก็จะเล่นสมบุกมสมบุกเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถจะได้จากป่าได้ ควาสมสบมันต้องมาู่กันกับความกับความรู้สึกสบายใจวามคนเป็นตาเราจะสบายใจเพราะว่ากรสงามความรู้นรมง์ใจความรู่ตรมใจนี่ปัญหาหาซื้อไม่ได้หาซื้อไม่ได้ แต่ถ้าเกิดจากการวางแผนที่ถูกต้องรือเกิดกการที่อยู่ในสินและล้อมที่ดีด้วเคยมีภาพลุมหนึ่งในสายพฤตการกตั้งชื่อวานนาวัชชะวาวัาวาชชเสวะอันนี้เป็นฉายานะแปลว่าผู้อยู่ป่าเพราะว่าท่านชอบไปเข้า ป, ป่าชอบอยู่ป่าชอบที่ดยนในป่า เป็นติววัดมีคราวนั้นท่านก็ออกมาจากป่าญาติเก่าก็ถามว่าในป่านี่มันดียังไงหรือท่านถึงชอบเข้าไปในป่าท่านก็ตอบเป็นเป็นคาฐานเป็นคาถากนะ็าาาหมายถึงว่าเป็นเป็นหยดตัวีแล้วก็มีอ่ามีผู้รู้ท่านท่านแปลออกมาก็ได้ความที่ไพรรอะท่านท่านบรรยายสภาพว่า ขุนเขาเขียวดำเมฆวิรู้จุดเรื่อากดีมีวารีเย็นใสสะอาดดาราบด้ยแมลงข่มทองมองแล้วรื่นหนุนใจเราลองดูภาพตามเว่าขุนเขียวขุนเขาเขียวสูงเทีมมยวเมฆมีลำน้ำลำาส า, นนาสใสเย็นมีแมลงส่งเสียง เหมือนกับเสียงเพลงมองและบรู้สึกกใจอันนี้คือคุณค่าทางจิตใจที่ได้จากป่าคือความรื่นรมใจไม่ใช่แค่ตื่นตาตื่นใจนะส่วนใหพวกเราไปเที่ยวป่าเดี๋ยวก็อยากจะชื่นชมทัศนภาพเสียงงามอยากเห็นอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจแต่ว่าความตื่นตาตื่นใจนี่มัน มันไม่มันไม่ดูเท่าเพรความขึ้นลมใจหรือความสงบนะติวตาติวใจก็คุ้มสร้างไดนะ้แต่ว่าถ้ามีความขึ้นลมใจมีความสงบแล้เนี่ยก็มีความสึกลึกๆข้างในไ่แต่ความสึดลึกๆเนี่ยก็ทํ า, าให้เกิดความสงบไม่แต่ความสงบนั้นก็จะให้เกิดแง่ชิดหรือเกิดปัญญาขึ้นมาได้ อันนี้เป็นต้ที่พระเจ้าแนะนาให้พออระสงฆ์สาวกเนี่ยไปปฏิบาาัติธรรมในป่าเพื่อได้เสด็จปัญญาไม่ใช่เค่เสด็จความสมองใจเท่านั้นเสดปัญญายงงเิดปัญญาอะไรเดปัญญาเข้าใจความผิดของชีวิตคามผิดของชีวิตความจริงของโลกบางีก็สะท้อนจากธรรมชาติได้ ถ้ามอให้เป็นอย่างต้องข้านมีเห็นเป็นใบไม้มร่วงข่านก็เข้าใจสัจัรรมหรือบริทธรรม้จะเห็นว่าชีวิตมันแปรผันริง้องข้านเนี่ยที่เจอมาดอกบัวดอกบัวที่เต็นตู พเจารณาไปแล้วก็คปอยเห็นว่าร่วงลงแลวท่านก็น้อมคำานใส่ตัวว่าโอ้เราเองสังขารของเรานี้ก็จะเป็นเช่นนี้เหมือนกันเมื่อพิจารณาเช่นนี้เกิดปัญญาเข้าใจใจรับใจรับก็คือลักษณะสาระการได้แก่นิจังที่นรกตกานความไม่เครียดความเป็นทุกข์ควไม่ใช่ปวดรนเข้าใจแล้วก็ติตก็หลุดคน้น ดูคนจากอะไรดูนจากความรู sugars, ้คนจากามทีกขติดอมันที่จปยั่งังอยู่คเราลองให้ดูเนี่ยธรรมชาติจะสอนธรรมธรรมชาติในป่าเนี่ยสอนธรรมะแล้วก็ทําูกกระกายปัญญาให้กับเราได้ประายปัญญา ทั้งนเรื่องที่เป็นความผิดของชีวิตคือสัตว์ประหลาหรือเรื่องที่เป็นสิ่งที่ควรทำควรดำเนินชีวิตเรือจริยธรรต้นไม้นี่เขาเขาเสลียสลับต้องเฉลี่ยสลับทำประโยชน์ให้กัโลกไม่ได้ที่จะเอาอย่เดีแต่ให้ด้วยตนไมน้น่ก็ดูน้ มาจัดกินแต่ต้องไม่ดูอกกล่าวเพราะต้นไม้โตเขาก็คายน้ำออกมาให้กับโลกน้ำที่ต้นไม้คายก็กลายเป็นไอกลายเป็นเมฆกลายเป็นฝนตกลงมาทําความชุ่มชื้นให้กับโลกถูกที่ต้นไม้ก็ดู ใกพิพให้บเลขทีน่นั้นที่ทมช ก, ก็กายเป็กัดคืสือโลกนะอันนี้ขาอนอะไขอว่าการรับเงนเดือในองทำให้คนะนมาถึงถูที่สอํบ้านในเรื่องการให้การเสียสลากยิ่งคนมาเสียสลากหกับให้กับชีวิตต่างๆมากมาย รับลับแดดต้นไม้แหกผิวด้านรับแดดแดดก็ร้อนต้นไม้ก็ส่งใบไปรับแดดแล้วเกิดตะไคต่มาก็เกิดร่มเงาเกิดร่มเงาให้สัตว์ให้นกให้จะรอดให้แมลงต่างๆได้ใช้ประโยชน์ได้อาศัยต้นไม้เขาพร้อมยอมรับ ยอมรับยอมรับแดดฝ่าแดดเพื life. Life. <cas ello vivo> ่อจะให้เกิดร่วมเงาแต่ชีวิตแต่สรรพชีวิตต่างๆอันนี้เราเป็นความเสียสละเป็นความเสียสละหรือจะมองในีง่ที่ว่าโอ้เข้าสามารถเียเปลี่ยนของของร้อนอากาของเย็นได้ต้นไมยเปลียดของร้อนอากาศของเย็นใบก็เปลี่ยนของร้อนอากาของเย็นเป็นร่วมเงารากก็เปลี่ยนส ซาคือซาสักให้กลายเป็นปุ๋ยกลายเป็นดอกไม้ที่สวยกลายเป็นผลไม้ที่หอมหวานคนร้อนถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยก็วิเศษก็ประเสริฐแต่ว่าเรามนุษเราส่วนใหญ่ไม่สามารถจะทําอย่างนั้นได้เราเจออะไรรลายๆมากระท บ, บแทนที่เราจะเปลี่ยนร้อนให้กลายเป็นเยน็นเรากลับเพิ่มความร้อนให้มากขึ้นเจออะไรเจอแดบดบร้อน ไม่ใช่แค่ตัวร้อนหนึ่งเดียวไม่ใช่แค่กายร้อนหนึ่งเดียวใจก็ร้องตามไปด้วยแต่ต้นไม้ก็ไหม่เจอร้อนมาก็แปลเป็นเย็นกลับไปเขนะาเอาขยะเปลี่ยนให้ใกลายเป็นเป็นเป็นของดีเป็นดอกไม้ที่ที่สวยเป็นผลไม้ที่อร่อยเวลาคนเราเวลาเจอทุกข์รับเดือดร้เป็นสุกเนีย่ย อันนั่นแหะคือเรากาลังเรียนกําลังเกิดปัญญาก้าเรามปัญญาเราก็สามารถเปลี่ยนทุกให้กลายเป็นสุขได้นะครัติัมภีร์ชิ้นหนพาคำวิจารณว่าการเราได้ยินและเราแทนที่จะทุกเราเปลี่ยนให้กลายเป็นแง่คิดเป็นสติทําให้เราได้พิจารณาให้เราเกิดปัญญาอันนี้เรียกว่าฉลาดที่จริงเราก็สามารถจะเอา คนมานเป็นครูได้ในเรื่องนี้นี่คือธรรมะที่ที่ธรรมชาติเนี่ยสามารถจะสอนเราที่ป่านะสามารถจะอสอนให้เราเห็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องป่านี่สําคัญมากาที่เราควรจะมองให้เห็นถึงคุณค่านะ แล้วเมื่อไรคุณค่าของป่าเนี่ยแล้วเ่เราก็จะเห็นความจเป็นในกาที่จะต้องรักษาวไว้รักษาวไว้ตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คิดแต่จะใช้ประโยชน์จากป่าใช้ประโยชน์จากใบจากกิ่งจากผลไม่พอบางทีต้องโค่นเพื่อจะเอาเอาไม้จากต้นหรือบางที นะก็โค่นเพื่อที่จะเอาสัตว์ที่มันทํารังอยู่ในนั้นบางคนชาวบ้านบางคนเนี่ยอยากได้ตัวแรงแรงมันอยู่ไหนแรนมันก็อยู่ในต้นไม้มันกะ็ทำยังไงนะนะ่านะเทียนโค่นมันเลย น, น, นั่นพอก็โค่นมันทั้งต้นนะเอาแรนนั่นแหละ ต้นมาเพื่อที่จะเอาแรนะที่มันขุดโรงอยู่ข้างในเนี่ยหรือเอาเอาเนื้อไม้หรือบางทีก็ไม่เอาอะไรหรอกแค่จะเอาที่ดินนะเอาที่ดินที่ต้นไม้มันเคยเคยเคยเคยปลูกเคยจริเติบโตอยู่ั้ที่เราที่จะประโยชน์จากป่านะกากธรรมชาติแต่ว่าน้อยคนที่จะคิดดูแล้วใจใส่ แต่พวกเราเนะี่ยก็เป็นผู้ที่นะมีคากสํานึกแม้ว่าจะอยู่ในเมืองนะแต่ว่าก็เห็นคุณค่าของการรักษาป่าเรื่องการรักษาป่านี่ก็แต่ว่าไปก็เป็นหน้าที่นึงเลยขององคพระเป็นเป็นประเพณีหรือว่าเป็นมรดกที่สืบทอดกันมะาที่จริงตามพระวินัยในสีขาวมันก็มีนะมีระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าเนี่ย พระ น, นี่ถ้าหากว่าโค่นต้นไม้ตัดต้นไม้ภาคของเขียวนี่ก็ถือว่าเป็นอาบัติอันนี้ท่านก็ให้ความสําคัญมากและบางท่านนี่ท่านก็ถือเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยที่วั ด, วดมีวัดหนึ่งชื่อวัดสมอรายเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดประชาทิวาพวกเราคงที่ในกรุงเทพคงคุ้นเคยชื่อนี้ าาวัดประชาธิวาสะไัยก่อนชืวัดสมอรายวัดสมอรายต่ก่อนนี่เป็นวัดที่อยู่นอกเมืองอยู่นอกกำแพงเมืองก็เรียกว่าเปา็นไปดเวยป่าต้นไม้ร่มคลึ้มมีปีหนึ่งเนี่ยะจะมีกระถิ่นหลวงมีกะถิ่นหลวงก็มีมาหาอภิกัทรเข้ามาเข้ามาดูเตรียมนะเตรียมการส่างก็ มาแล้วก็มาบอกว่าทางทางเข้าโบเนี่ยทางเข้าวัดทางเข้าโบเนี่ยนะต้นไม้มันเยอะก่เนี่ยมันมันยืน อ, ออกมาเยอะนะเกรงว่าจะไปรบ ก, กวนจะไปกีดขวางพรากฏปรากฏเนี่ยคือกรฎที่ที่ใช้นำขบวนหรือว่าให้พระราชาหรือวันที่การที่สท่านสเสด็จเข้ามา มันก็เป็นร่มนะเป็นพระกฎมาแล้วก็อยากจะให้ตัดซะให้ตัดกิ่งที่มันที่มันกีดขวางทางพระกฎก็ไปไปบอกเจ้าว่าเจ้าวันทนิตพระราชกันนะท่านที่ท่านจะเห็นด้วยท่านบอกว่าท่านบอกว่าห้ามห้ามตัดห้ามตัดต้นไม้ห้ามตัดกิ่งแต่ท่านก็พูดสั้นๆว่า จะเสด็จก็ตามไม่เสด็จก็ตามคือแต่ห้ามตัดจะเสด็จก็ได้ไม่เสด็จก็ได้ฉันไม่ว่าเลยแตห้ามตัดมาเล็กก็เลยจนใจเลยต้องไปทูลบอกดวงตั้งแที่สองท่านก็เลยเห็นว่าเออถูกแล้วที่ พอถ้าพูดอย่างนี้ถูกแล้วนะก็เลยบอกว่าห้ามตัด ก, ก็ไปอย่างงั้นแหล ะ, สะเสด็จเข้าไปในในในวัดท้าเราคิดต้นไม้นี่มันรกแค่ไห น, นก็ไม่ให้ตัดอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมเนียมนะซึ่งอย่างนี้เนี่ยมันตรงข้ามบางทีเราเห็นต้นไม้นี่มีค่าน้อย ก, กว่ากว่ากว่าปูนตัดต้นไม้เพื่อที่จะเทปูน กันมากมายอันนี้พอเราลืมไปว่าลืมธรรมเนียมหรือว่าลืมมรดกนะที่พระพุทธเจ้าแล้วก็ที่พระสงฆ์สาวกท่านแต่สมัครพุทธการท่านมอบไว้ให้กับเราถ้าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเมื่อสมัยที่หลวงพ่อชาหรวงพอชาจะมีชีวิตอยู่นะที่บ้านหลงปะพงเนี่ยตอนที่ สร้างใหม่ๆตอนที่ท่านมามาบุกเบิกวัดหนองตะพุ่งใหม่ๆเนี่ยก็มีพระที่เป็นโรคม า, ราเรียแล้วไข้ป่ายเยอะพระแล้วก็ีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอาณาม่เข้ามาแล้วก็เสนอว่าสลงพ่อต้องต้องถางป่าให้มันให้มันโล่งนะมันจะได้ไม่ไมียุงที่เพาะหรือไม่มีที่เพาะเชื้อให้ไข้าม า, ราเรีย ใคป่ามันมารบ ก, กวนพระหลวง่อจะตอบว่ายัางไงหลวงจะตอบว่าคนก็ตายใช่แต่ว่าอย่าห้ามตัดป่าคนตายก็ตายไปแต่ห้ามตัดป่านะครับบอกท่านบอกแล้วท่านบอกเนี่ยพระชีจะตายก็ตายก็ยกยกหรือแม่ธรมาตายก็ไปไปแล้วแต่ว่าป่าต้องอยู่คือคนเราก็มีชีวิตแค่ชั่วคราวมาแล้วก็ไป แต่ว่าป่านี้เขาอยู่ได้เขามีอายุยืนนานเขาเกิดมาก่อนเราและเขาก็ควรจะอยู่หลังจากที่เราไปแล้วให้เราคนเราก็มีอายุแค่ไม่ไม่กี่ไม่กี่10ปีเล้วเป็นผู้มาใส่แต่ว่าป่าก็เป็นเจ้าของเดิมก็ควรจะรักษาวไว้ซึ่งก็คือว่าหลวงพ่อชางไม่ให้ตัดต้นไม้พระเนรพระชีจะตายก็ก็เป็นเรื่องของ เรื่องของอะไรเหตุปัจจัยกันแต่ว่าให้รักษาป่าไวา้แต่ก็ไม่เกิดไม่เกิดอะไรขึ้นเมื่อรักษาป่าไปแล้วก็คนเราพระชีก็ยังรักษาตัวนะปลอดภัยได้ไม่มีรูปไหนต้องตายเพราะโรคมาเลย์หรือว่าไข้ป่าอันนี้เป็นเรื่องของนะครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่ท่านเห็นความสมคัญของป่ามากท้งพวกเรานะที่เป็นชาวพุท แล้วก็หรือว่าที่เป็นนักปฏิบัติธรรมยิ่งผู้ที่มาอาศัยป่า mm. ในการปฏิบัติธรรมยิ่งต้องมีความสำนึกในคุณคุณของป่า mm. แล้วก็พยายามที่จะรักษาป่าให้ได้ mm. ไม่ว่าไฟจะมาหรือว่าคนจะมาลักลับมีกนต้องช่วยกันดูแล mm. แล้วก็ช่วยกันฟื้นฟูแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่นี่ ถึงแม้เราจะอยู่ที่ไหนถึงนะแม้เราจะไม่ได้อาศัยร่มเงาของป่าเลยนะก็ควรจะก็ควร ด, ดูแลรักษาเรื่องของการรักษาป่าดูแลป่านี่พูทจา้ามันตัดไว้หลายตอนเลยทีเดียวนะว่ามาเป็นไปนการทาบุญอย่างหนึ่งนะยังมีตอนบอกว่าพูทแต่สร้างสวนปูกป่าเป็นนิพนธะ์บุญของพุทธ้านจอมเจริญนะเพียงแค่รักษาป่า ก็เท่ากเป็นการทำบุญละไม่ใช่ว่าจะต้องไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารถวายสังรทานอย่างเดียวเพียงแค่รักษาป่าให้ดนะีก็เป็นการทำบุญอาบุญอย่างนี้นี่ไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่เดยนี้นะเพราะว่าเราไปคิดว่าบุญนี่ต้องต้องเกิดจากการถวายเงินให้พระหรือว่าสร้างวัดสร้างสร้างโบสถ์หรือว่าสร้างพุทธรูก แต่ที่จริงแล้วเนี่ยการที่เราช่วยกันปลูกป่าก็ถือเป็นการอุปถัมภ์บำรุงพุทศาสนาได้เหมือนกันเพราะว่าถ้ามีปา่าพุทธศาสนาหรือว่าการปฏิบัติธรรมก็มีโอกาสที่จ ะ, จะเจริญยั่งยืนได้เพราะว่าพุทธศาสนากับป่านี่เรียกว่ามาควบคู่กันมาตลอดพิธากรรมก็คือว่ามันเป็นการทําเพื่อให้เกส่วนรวมด้วย ไม่ใช่แค่ทำนุบำรุงราศาสนาอย่างเดียวแต่เป็นการทําเะโยชน์แต่ส่วนรวมเพมีป่ามันก็มีประโยชน์มีอนิสงส์ต่างๆมากมายทั้งทางกายทางจิตใจจริงใครที่ได้ประโยชน์จากป่ายิ่งต้องมีหน้าที่ต้องรักษาผู้เจ้าเผยัดไว้ว่าเนี่ยผู้ใดอาศัยใต้ต้นไม้บุรุษผู้ใดอาศัยใต้ต้นไม้ แล้วก็หักลานหรือว่าตัดกิ่งต้นไม้นั้นบุรุษผู้นั้นนะเป็เท่ากับเป็นผู้ทำรัฐทุสลายมิตรนอกากเป็นคนเลวทราอาศัยร่มเงาของต้นไม้แต่แล้วเ็ยังทำลายตัดกิ่งต้นไม้นั้นก็เท่ากับว่าเป็นคนทำลายมิตรนะก็ต้องเป็นคนเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวทอันนี้พวกเราก็ต้องตระหนักตรงนี้นะอย่าไปคิดว่าต้นไม้เขาเป็นแค่วัตถุ จะตัดยังไงก็ได้เขาไม่รู้สึกนะอย่างนี้เรามองกันแบบนั้นเรามองว่าต้นไม้ก็คือวัตถนะุคนเท่าคนหยาสมัยก่อนยังมองว่าต้นไม้นี่มันมียังมีเทวดาอารักษนะ์คอยดูแลหรือมีเทวดาอารักษทรงสถิตอยู่จะตัดก็เกรงใจจะตัดก็กลัวเทวดาอารักตนอะนมีความเชื่อแบบนั้นก็เลยทําให้ป่านี้ต้นไม้เนี่ย ก็ยังอยู่ได้เพราะคนกลัวชาวบ้าอาลวคนกลัวผีนะกลัวปู่ย่าจนในนี้เราไม่เชื่อในควกนี้แล้วเราก็เห็นว่าต้นไม้ก็เป็นแค่วัตถุเป็นสินค้าหรือว่าเป็นเป็นอของฟรีนะที่หรือเป็นทรัพยากรที่จะสามารถแปลเป็นเงินตราเป็นกำไรได้ เราก็มองแค่นี้อันนี้เรามองแบบวัตถุนิยมคือมองอะไรเป็นแค่วัตถุไปหมดไม่มีเรื่องของจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าจะ ก, กลับไปก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะอันนี้เราต้องช่วยกันฟื้นฟูนะฟื้นฟูความฟื้นฟูให้ความคิดที่เคารพธรรมชาติขึ้นมาใหม่ตเคารพธรรมชาติและธรรมชาตินั้นก็เป็น เป็นสิ่งที่มีคุณค่าครแก่การเคารพหลวงพ่อสังเกตเราตอนสมัยเป็นเด็กเนี่ยเวลาท่านจะเวลาท่านเลี้ยงควายเวลาจาน้ํำวักใส่วักให้ควายเนี่ยถ้าใช้มือต้องใช้มือวักนะใช้เท้าเตะไม่ได้แมนบอลไม่เปลี่ยนเท้าเตะก็ได้เท้าเตะแล้วเป็นไง มันบันิดทีเลยฮะต้องใช้ต้องใช้มืออย่าใช้เท้าเ <Okay. S 1> เรียกว่าเคารพหรือว่านา้ำลำน้ำร่วลำทานจะเวลาเขาเวลาไปอาบนี่จะไปเยี่ยวในนั้นไม่ได้นะะแต่ถ้าจะเยี่ยวต้องขึ้นมามาเยี่ยวต้นต้นไม้บนพื้นดิน น, นี่หลงพ่อท่านบอกความเชี่ย ข, ยของโบรายเพราะเขาเคารพธรรมชาติ จะไปบอกอข้องงลายก็ไม่ได้เพราะว่าพอ่อคิดแบบนี้แหละเชื่อแบบนี้บบนนถึงรักษาธรรมชาติไว้ได้จนกระทั่งมาถึงยุคของเราและเราก็ใช้กันอย่างด้วยช่วยแชร์ในจงดัน่ท่านามันเกิดปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมขึ้นมาทั่วโลกเพียงแค่ชั่วสองสามอายุคนเท่านั้นแหละโลกมันวิกฤด้วยภัยธรรมชาติในขณะที่คนเมื่อนับแสนปีหรือว่าหลา ร้อยอายุคนต้องเรียกว่าหลายพันอายุคนก็รักษ า, ษาธรรมชาติไว้ได้แต่พอมาถึง 2- อสมอายุคนสุดท้ายนี่เลยเพราะรุ่นเราแล้วก็อาจจะพื้นก่อนลามนี่ทาลายกันมหมู่ลานมากนี่ก็ก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องช่วยกันฟืนฟ้นฟูทว น, น, นกระแสะนะมามารักษาแล้วก็ฟืนฟ้นฟูนธรรมชาติขึ้นมาเมื่อสองอาทิตที่แล้วนะที่ปู่หลงก็มีการ บวชป่าเคยบวชป่าครั้งสุดท้ายเมื่อปี33แล้วทีบวชป่าใหม่ปี52 -9 กปีเราต้องการฟื้นฟูความความคิดความเชื่อว่าต้นไม้นีก็มีค่ามีความศักดิ์สิทธิ์พอที่จะหรือว่าคู่ควรกับผ้าหรือเรื่องหนึ่งนะัต้นไม้ไม่ใช่แค่เป็นเป็นุนง แต่จะมาขายได้กําไรหรือเป็นสินค้าที่จะตักตวงเป็นเงินทองในี่เดี๋ใครได้แต่ว่าก็มีความมีคุณค่าสำหรับการที่จะดูแลรักษาและการเคารพเหมือนกันอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไวนะ้ว่าพวกเราต้องช่วยกันดูแลรักษานะทั้งในฐานะที่เป็นนักปฏิบัติธรรมในฐานะที่เป็นชาวพุทธในท่าที่เป็นพลโลกที่ได้รับประโยชน์ นับประการจากต้นไม้และจากธรรมชาติแล้วก็รรวก็สมควรต้องพั้องกั น, นสมบสงบจโพอพอ